ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานที่จากตาหวานมาตั้งหลายทีเล่กันมั่งคั่งดีเขาลือว่าน้องใหญ่ดีวานน้องไม่ไกลบ้านที่สุราธานีคนที่มีน้ำใจที่รู้ว่าบ้านจอควันนั้นมีง้อพันโคงเรียนมากมาย กันค้า เขาลือว่าน้องใจดีบ้านน้องไม่ไกลบ้านที่สุราธานีคนที่มีน้ำใจที่รู้ว่าบ้านจมควันมันมีงอพันโรงเรียนมากมายอยากจะขอต้นงอไบ ป, ปลูข้าวมีนูแบ่งปันกันขา้าวแลงกันมังคัดที่ปลือย่าทื่อเราคนชาวนา รังเกียจพี่ชายจะจุดเดินสายมาขายง้อ